ฟังคะ่ะเทพเจ้าเป็นอยู่เหนือธรรมชาติและมนุษย์บุทุชนทั้งหลายที่พึงจะล่วงเกินได้เมื่อมนุษย์เกิดมาในยุคแรกสุดยังคงไม่มีการนับถือสิ่งใดที่พอเป็นสรณะยังคงวุ่นวายอยู่กับตัวเองซึ่งเรียกยุคนั้นว่ายุคหินต่อมาเมื่อมนุษย์มีจิตและก็สัญชาตญาณสมบูรณ์จนเอกอุแล้วความซับซ้อนทางด้านความคิดความอ่านย่อมมีมากขึ้นจนไม่สามารถก้าวแก้ปัญหาตามทันได้ จึงต้องมีสิ่งใดสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเชื่อถือได้ว่าการแก้ปัญหาของตนได้อาจจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เสร็จสมบูรณ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนยุคแห่งการนับถือเทพเจ้าคู่คุ้มครองเริ่มมีมานานนับพันพันปีก่อนเกิดศาสนาทุกศาสนาในโลกใบนี้ซะอีก เราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าที่มนุษย์ยังคงดำรงตัวตนอยู่ได้โดยไม่สูญสิ้นพันธ์ไปซะก่อนก็เพราะว่ามีเท พ, พเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้สำหรับเรื่องที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์มหาเทพนะคะเรียกว่าเป็นองค์สําคัญเริ่มกันที่องค์พระศิอิสวร น, นะคะองค์พระอิสวนหรือว่าองค์พระศิวะค่ะพระองค์เป็นเทพผู้สร้างแล้วก็ทาลาย ทรงเป็นเทวบดีแห่งสวงสวรรค์มีสถานะอยู่เหนือพิธียันกรรมทั้งปวงการกำเนิดองค์อีสวนค่ะมีแตกต่างกันตามแต่ละคัมภีร์พอรวบรวมไว้ได้ดังนี้นะคะ องค์พรมบำเพ็ญตะบะจนแก่กล้าแล้วทรงใช้เปลือกไม้ขูดพระเศโทรหรือว่าเหงื่อที่ไหลลงมาที่พระขนงจนชวีทลอกนะคะมีโลหิตหยดหนึ่งหยดลงไปบนกองไฟก็เลยเกิดเป็นเทวะขึ้นมาเทวะได้ร้องขอให้ประธานชื่อถึง8ครั้งด้วยกันก็คือพบสับปสุปบดีปุดรเทพมหาเทพรุธร อ, อีสานอสนิ พระพรหมทรงเลือกตั้งตามตำอ่าตามนามคำร้องนะคะว่ารุทอนค่ะซึ่งแปลว่าร้องไห้ซึ่งต่อมาก็คือพระศิวะหรือว่าพระอิศวนนั่นเองค่ะ มหากราบมหาภารตะกล่าวนะคะว่าพระอีศวรกำเนิดขึ้นจากพระนาราชนับผากของพระพรหมซึ่งในอดีตการโลกยังคงว่างเปล่ามีแต่เพียงอากาศธาตุมีพระเวทและพระธรรมหรือว่าวิญญาณ น, นั่นเองนะคะทั้งสององค์ตกลงใจกันว่าจะสร้างโลกขึ้นมาโดยสร้างผู้ที่จะมาสร้างสิ่งต่างๆต่อไปในภายภาคหน้านั่นก็คือองค์เทพนั่นเองค่ะ แล้วก็ไรเวทมนต์เป็นองค์เทพอิสวนขึ้นมาทรงมีสีพระวรกายสีขาวมีพระเนตรสามดวงนะคะส่วนคำพีไตรเพศค่ะก็บอกว่าพระอิสวนนะคะทรงกำเนิดจากพระกัจยประเทพบิดอน กับพระนามสุระพีค่ะเมื่อกำเนิดมาก็ร้องไห้ด้วยเสียใจไม่รู้จะสร้างโลกได้สำเร็จหรือไม่เนื่องจากไม่มีอิทธิฤทธิใดๆพอที่จะสร้างโลกได้พระเวสและพระธรรมทรงทราบเรื่องนะคะก็เลยหาทางช่วยโดยการมอบพร อ, อิทธิฤทธิต่างๆรวมทั้งอำนาจบารมีที่ยากจะหาผู้ใดมาเทียบเทียมได้แต่พระอีวก็ยังไม่หยุดร้องด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่มีพระนามเลยค่ะ ทั้งพระเวทและพระธรรมจึงมอบนามให้เลือกแพระนามด้วยกันนั่นก็คือพบสัพท์ปะสุบทุดอนเทพมหาเทพรุธทรอีสานอัสนิปกติพระอิศวนทรงประทับอยู่ที่เขาไกรลาดนะคะที่เรียกกันว่าผาเผือกแต่ว่าบางทีค่ะท่านก็ชอบอยู่ตามสุสานปราัตช้ามีพูดผีเป็นบริวาร มีพระวรกายสีขาวในยัชรุเวทว่าสีพระวรกายเป็นสีแดงอาถันพพระเวทนะคะก็บอกว่ามีพระวรกายเป็นสีดำพระเนตรมีสา ม, มีพระเนตรพิเศษคือพระเนตรตรงกลางหน้าผากค่ะก็คืออาจะตั้งขวางมีเป็นเหมือนดวงจันทร์ครึ่งซีกอยู่เหนือพระเนตรที่สามนะคะทรงอนุภาพมากค่ะ อาจจะบันดาลให้เกิดไฟเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อครั้งที่กรารมเทพแผลงศรบุบบุบบุปบประสอนนะคะยิงพระอีศวรเพื่อให้หลงรักพระอุมาในครั้งนั้นค่ะพระอีสวนทอดพระเนตรส่งตราตรงกรามเทพพอดีเลยกามเทพก็เลยกลายเป็นเทพที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปกายได้ชื่อว่าอนุมคาเทพตั้งแต่บัด น, นั้นนะคะ นักปรารถนาฐานน ะ, ะว่าทางพุทธศาสนาได้นำพระเนตรมาเป็นอุณาโลมหรือว่าผลระหว่างคิ้วค่ะดังที่ปรากฏที่พระนาราชของพระพุทธรูปและลักษณะเช่นนี้จัดเป็นลักษณะหนึ่งของมหาบุรุษซึ่งมีด้วยกันาร32บประการดังคำที่ว่าพมุกะนาตาเรชาตาอุณาโลมาซึ่งแปลว่ามีอุณาโลมเกิดขึ้นระหว่างคิ้ว พระอส่วนทรงมุ่นมวยแบบฤษีหรือว่าทรงอินทรชดารนั่นเองค่ะมีพระจันทร์เป็นปิ่นจึงได้ชื่อว่าจันทราเสขรพระจันทร์ที่เป็นปิ่นนั้นบางครั้งเราก็เรียกว่าปิ่นพระศิวะหรือว่าศิวะเสขร พระอิสวรค่ะทรงมีพระสอดำลาเพราะว่าดื่มน้ำพิษเมื่อคราวกวนน้ำอมฤตเพื่อจะรักษาโลกให้ปลอดภยัยจึงได้อีกชื่อหนึ่งนะคะว่านินกันหรือว่าสอสีเขียวและก็สยามกันหรือว่าสอดำค่ะ มีประคำเป็นรูปหัวกะโหลกคล้องคอมีสังวานเป็นงูนุ่งหนังเสือหนังช้างหรือหนังวางมีอาสนะเป็นหนังเสือมีสองก้อนสี่ก้อนแปดก้อนสิบก้อ น, อนมีพักเดียวนะคะบางตำราก็กล่าวว่ามีถึงห้าพระพักด้วยกันจึงได้นามว่าปัญจาร น, นะนั่นเองค่ะ อาวุธของพระอิศวรมีหลายอย่างนะคะเช่นตรีศูนย์หรือว่าอาวุธสามงามชื่อปินาคถือธนูชื่ออัชครบคทถายอดหัวกโลกชื่อชัดทวางถือบาดบ้างนะคะบันเดาะบ้างสังบ้างมรุษะบ้างทรงบัวเผือกชื่อนอนทิการเป็นพาหนะบางครั้งขาก็เรียกกันว่าโคอุสุภราช พระอส่วนท่านมักให้พรแก่ผู้ที่มาขอเสมอค่ะบางครั้งก็ไม่ทันพิจารณาให้ละเอียด ผู้รับพรส่วนมากจึงนำไปก่อความเดือดร้อนให้แก่เหล่ามนุษย์และเหล่าเทพเทวดาเสมอเป็นเหตุให้พระนารายณ์ต้องอวตารไปปราบอยู่เนืองเช่นเดียวกับตอนที่อวตารเป็นนางอับสรไปปราบยักษ์นนทุกนะคะที่มีนิ้วเพชรชี้เป็นชี้ตายได้หรืออวตารเป็นหมูไปปราบหิรันตยักษ์ซึ่งม้วนแผ่นดินหนีไปบาดาลค่ะ แต่ที่ทรงให้พรและปราบยากที่สุดนะคะก็มีกล่าวไว้ในนรสิงหาวตานฉบับหอสมุดค่ะว่าเมื่อเฮรันตอาอสูรขอพอรไม่ให้ตายด้วยมือเทวดามนุษย์ษยัก ษ, กษ์นาคครุตฤฤษีอสูรปีศาจและไม่ให้ตายในเมืองนอกเมืองทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนเมื่อเฮรันตอาอสูรก่อเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาพระอิศวรจึงให้พระนารายณ์ไปปราบ องนารายจึงอวตารเป็นนรสิง์มีหน้าเป็นราชส์สีตัวเป็นคนมีพันมือเล็บแหลมคมนรสิง์จับตัวฮิรันตะอสูรได้และฆ่าที่ประตูเมืองด้วยกรงเล็บในเวลาสนธยาบางทีผู้ขอหรือตรีบูรํมขอมิให้พระนารายปราบได้พระอิศวรก็ประทานพรให้คราวนี้พระอิศวรจึงต้องลงมือปราบเองมีกล่าวไว้ในเรื่องรามเกียรติว่าอันตรีบูรัมขุนมาน สังหารสอนแล้วไม่ได้จำจะฆ่าเสียด้วยตาไฟให้มวยไหมเป็นพัสมุทุลีกันตรัดแล้วจับกล้องมณีกวัดแกว่งรัศมีฉายฉันสองเนธจำเพาะกุมพันด้วยฤทธิ์อันชัยชาญมีบางครั้งที่ทรงต้องวิ่งหนีพรของพระองค์เองค่ะเมื่อคราวพระอิศวรทรงประทานพรให้แก่พฤกาศูนย์อันเป็นบุตรของพระกัตย ป, ปะ พรที่ให้คือมีมือหนึ่งที่มีฤทธิ์เดชดุดเพลิงกรดหากแตะที่ศีรษะใครก็จะกลายเป็นจุลพฤกษกาศูลสงสัยในพรที่ได้ว่านั้นว่าได้จริงหรือไม่จึงคิดจะทดลองกับพระอิศวนพระอิศวนจึงต้องวิ่งหนีพฤกษกาศูลก็วิ่งไล่ทดลองพรร้อนถึงพระนารายณ์ต้องแปลงร่างเป็นมนุษย์หนุ่มแล้วบอกพฤกษกาศูลว่าเจ้าช่างโง่สิจริงเชียวพร น, นั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรกัน หากจะลองก็ลองกับตนเองได้นี่นาพฤะสกาสูนเชื่อมานพแปลงจึงใช้มือแตะที่ศีรษะตนเองพฤะสกาสูนก็เลยตายสมพรในตำรารําโกบินปุราณนะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระอิศวรอยู่ด้วยซึ่งต่อมากลายเป็นเทวะรูปพระอิศวรปรางนาตราชเรื่องมีอยู่ว่าพระอิศวรเป็นครูฟ้อนรําในการครั้งหนึ่งมีพระฤาษีพวกหนึ่งตั้งอาสมอยู่กับเมียในป่าตารกะ นานวันเข้าเหล่าฤาษีต่างประพฤติตนลดหย่อนในวินัยไม่เหมาะสมกับความเป็นนักรถบางครั้งก็ทำอนาจารแก่เมียฤาษีอื่นๆพระศิวะหรือพระอิศวรและพระนารายก็เลยเสด็จลงมาปราบค่ะองค์อีศวนนั้นแปลงร่างเป็นโยคียหนุ่มรูปงามส่วนองค์นารายแปลงเป็นภรรยาสาวสวยแล้วดำเนินเข้าไปนในป่าตาระกะนั้นเมื่อเหล่าฤาษีเห็นเข้าต่างก็ตะลึงตาค้าง ฝ่ายฤาษีชายก็หลงไหลในนารายแปลงฝ่ายฤาษีสาวก็หลงไหลในพระอิศุนแปลงเช่นเดียวกันค่ะฝ่ายพวกฤาษีจริงก็เลยวิวาทกันเองเพื่อแย่งชิงฤาษีแปลงพวกฤาษีต่างก็พากันเกี้ยวพาราศีฤอสีแปลงแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ดังใจก็โกรรฤาษีแปลงฤาษีจริงต่างสาบฤาษีแปลงแต่สาบเท่าใดก็ไม่เป็นผล ด้วยความโกรธจึงแปลงร่างเป็นเสือหมายจะกินฤาษีแปลงพระอิศวนแปลงได้ทีจึงฆ่าเสือเสียเมื่อเห็นว่าฤาษีเหล่านั้นไม่มีน้ำยาแล้วจึงส่งฟ้อนรำทำปาฏิหารในขณะนั้นมียักษ์คอมตัวหนึ่งชื่อว่ามูยะละกะประเทศไทยเราเรียกว่าอสูรมูลาคนนะคะเข้าช่วยฤาษีจริง พระอีศวรจึงเอาพระบาทข้างหนึ่งเหยียบยักษ์ข้อมไว้แล้วส่งฟ้อนรำต่อจนจบเหล่าฤาษีเมื่อรู้ความจริงจึงขอขมาต่อองค์พระอิศวรพระองค์ก็มีได้ส่งเอาโทษจากนั้นก็ทรงเสด็จกลับไปยังเขาไกไลรลาส่วนพระนารายค่ะก็เสด็จกลับไปยังเกษียนกเกษียณสมุทรนะคะครั้งนั้นค่ะพระอนันตนาคราชได้เห็นพระอีศวรทรงฟ้อนรำอัน ง, งดงามก็อยากชมอีก พระนารายณ์แนะนำให้บําเพ็ญตะบะที่เชิงเขาไกรลาศพระอนันต์ัตตานคราชก็ทำตามคำแนะนำแล้วจึงขอพรพระอีศวนว่าขอดูการฟ้อนรำอัน ง, งดงามนี้อีกสักครั้งพระอีศวนจึงประทานพรให้ส่งตรัสนคขาว่าจะลงไปร่ายราให้ชมยังเมืองมนุษย์ที่ตำบลจิตธรรมพรมครั้นถึงวันกำหนดก็ทรงลงไปฟ้อนราให้พระอนันต์ตานคราชชม ในการต่อมาค่ะพระอิศวรทรงมีพระประสงค์จะแสดงการฟ้อนรำให้เป็นแบบฉบับก็เลยทรงเชิญพระอุมามาเป็นประธานในงานฟ้อนรำนี้ทรงให้พระอินเป่ากลุย่ยพระสุรัต์สวัสดีดีดพินให้พระพรมตีฉิ่งให้พระลักษมีขับร้องและให้พระนารายตีโทนพระอิศวรทรงฟ้อนรำมีเหล่าเทวดาฤาษีคนทนันยัก นาคนะคะก็ได้ชมทรงมีเทวบัญชาให้พระฤาษีที่ชื่อนะคะว่ า, านาคนะคะมาแต่งตัวแล้วก็แต่งตำราสั่งสอนท่ารำเหล่านี้ให้แก่มนุษย์ค่ะ ตำนานนี้เองค่ะชาวเมืองจิีรำพ ร, รมในอินเดียตอนใต้หรือว่ามณฑลอมัธ ร, ราชในปัจจุบันนะคะถือกันว่าพระอิศวนทรงฟ้ อ, ฟอนรำในณสถานที่นี้จึงสร้างปฏิมากรรมขึ้นมาค่ะเรียกว่าพระอีศวรปางฟ้อนรำนาตราชประเทศไทยเรานะคะจะเรียกว่าปางปราบอสูรมูลานมูลาคณีนะคะ แล้วก็ในปีพศส0 0พันขออภัยค่ะพศสองหน่งพันแปดนะคะชาวอินเดียจึงสร้างเทวรูปพระอิศวนฟอนรำผ้าต่างๆครบ108ง้ท่าค่ะพระอิศวนทรงมีมาเหสีคือพระอุมาหรือว่าบารพัพพตีมีโอรสสองพระองค์คือพระคเนศกับพระขันทากุมารค่ะแล้วก็ยังมีพระชายาอีกสององค์คือพระคงคาเทวีและพระนางสนยาค่ะ เรื่องราวของพระอิศวรเป็นใหญ่ย่อมมีเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับเทพต่างๆมากมายซึ่งเราจะมาเล่านะคะให้ฟังในครั้งต่อๆไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดถึง อ, องค์เทพที่ชื่อว่าพระอิศวร น, นะคะหรือว่าพระศิวะนั่นเองนะคะ ก็คือเรื่องของเรื่องค่ะจะมีเขียนแทรกไว้ในประวัติเทพเจ้าอยู่แล้วนะคะว่านอกจากนี้เนี่ยพระอิศวนท่านก็มีมีปางต่างๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวมาเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเช่นท่านทรงนึกสนุกก็ทรงแบ่งกายเป็นสองเพศก็คือเป็นชายอ่าแล้วก็เป็นหญิงอย่างละครึ่งนะคะก็ได้นาใหม่ว่าอัธานารีหรือว่าครึ่งหญิงแล้วก็อัฐอา อัฏฐริสวนนะคะเครื่องชายค่ะคือเป็นทั้งพระอิสวนแล้วก็พระอุมาซีกซ้ายเป็นพระอุมามีเสือหมอบอยู่ค่ะแล้วก็ด้านขวาเป็นพระอีสวนมีโคนินหมอบอยู่มีสี่กรมีพระคงคาไหลาจากพระเสียนด้านขวาส่วนปางพระอิสวนที่สำคัญมีดังนี้นะคะ1ค่ะจะเป็นปางพระอิสวนปางที่ชื่อว่าปางอัฏนารีสวน ะ ค, ะคำพีศิวะปูรณะกล่าวว่าพระอิสวนปางนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าปางอัถนารีสวนนั้นเนื่องมาจากว่าในขณะที่พระพรหมสร้างโลกทรงสร้างแต่เพศชายเพียงเพศเดียวขาดเพศหญิงที่จะมาช่วยกันสร้างเสริมกำลังและอำนาจพระพรหมท่านก็เลยทรงบูชาบวงสรวงพระศิวะให้ทรงช่วยนะคะส่วนปางที่สองค่ะชื่อว่าปางอีสวนปางที่ชื่อว่าปางกาแมนกามมรติพระนางสตรีค่ะ เป็นชายามุนีของพระยาหรือว่าพระอิศวร น, นั่นเองซึ่งพ่อตาพระทักษะประชาบดีไม่ชอบมุนีนะักเมื่อพระนางสตรีได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระบิดาโดยที่ไม่ได้รับเชิญในขณะนั้นพระทักษะประชาบดีกําลังทําพิธีบูชายันเมื่อเห็นบุตรตรีก็พูดดูถูกถึงพระมุนีสวานีนางแสดงทีท่าไม่พอใจนะคะด้วยความน้อยใจและอับอายในถ้อยคําของพระบิดาพระนางสตรีจึงโดดเข้ากองไฟ บางตำรานะคะก็บอกว่าทรงใช้ไฟในพระวรกาย mm hmm. เผาผลาญพระองค์เอง mm hmm. เมื่อพระอิศวนท่านทรงทราบเรื่องก็พิโรธ mm hmm. เลยเนรมิตร่างใหญ่ร่างใหม่นะคะนามว่าพีรพาดาค่ะ mm hmm. เข้ามาทำลายพิธีเสียจากนั้นทรงตัดเสียนพระทักษะประชาบดีโยนเข้ากองไฟเมื่อเหล่าเทพพยายดา พากันมาขออภัยโทษพระองค์ทรงยกโทษให้และนำศีรษะแพะที่อยู่ในพิธีมาต่อให้กับพระทักษะประชาบดีเพื่อประจานความโง่และพระองค์เองก็หันมาบําเพ็ญตบะบารมีตั้งพระทัยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกและสตรีใดๆอีกต่อไปนะคะปางที่3มค่ะมีชื่อว่าปางอิสวรปางกังกาลามูรติไพระวะนะคะ บางนี้ค่ะพระอิศวรทรงนึกอยากจะทดลองอานาจอิทธิฤทธิ์ของพระพรหมดูท่านก็เลยเนรมิตพระองค์เองเป็นเทพนะคะที่ชื่อว่าไพระวะค่ะซึ่งพระพรหมก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้อยู่แล้วจึงท่งต่อสู้กันพระพรหมเสียท่านะคะถูกอาวุธตัดเสียขาดเป็นหนึ่งเสียนจากห้าเสียนยังคงเหลืออยู่แค่สี่เสียนเท่านั้น พระอิศวรก็รู้นะคะว่าการกระทําครั้งนี้เป็นบาปมหันต์ทำลายเทพผู้ให้กําเนิดพรามจึงหาวิธีล้างบาปพระนารายณ์ทรงแนะนําให้ไปล้างบาปที่เมืองพาราณสีในโลกมนุษย์พระอีศวรก็ทรงทําตามค่ะเมื่อพระองค์เดินทางมาถึงเมืองพาราณสีบาปก็หายไปสิน้นจากนั้นทรงเดินทางกลับไปยังเขาไกรลาสชาวฮินดูจึงถือกันว่าเมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระเจ้าของตนจากอดีตจบจนปัจจุบันนั่นเองนะคะ ปางที่4นะคะปางที่ชื่อว่าอันทรากาสุรวทานมุรติค่ะมืออ่ามีอสูรตนหนึ่งนะคะต้องการลักพานางปั น, นอ่า เขาเรียกว่านางปานกภตีมเหสีพระอิศวนไปเป็นเมียของตอนพระอิศวรทราบเรื่องนะคะก็เลยเกิดการต่อสู้กันค่ะเนื่องจากอสูรตนนี้มีฤทธเดชหากใครทําให้เลือดตกหนึ่งหยดก็จะกลายเป็นอสูรนับพันต่อสู้อยู่นานก็ไม่สามารถฆ่าอสูรได้หมดพระอิศวนจึงเรีรมิดเทพอาเทพจามุนทร น, นะคะและพระแม่เจ้าทั้ง7พระองค์ให้ช่วยกันกินเลือดอสูรตนนี้แต่ก็ไม่สําเร็จค่ะ อสูรยังคงมีขึ้นเรื่อยๆพระอิศวรจึงทรงขอให้พระนารายช่วยอสูรก็เลยพ่ายแพ้อิทธิฤทธิ์ขององค์นารายค่ะจากนั้นจึงนอบน้อมเคารพพระอิศวรพระอิศวรจึงเสด็จโปรดแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของข้าราชบริพารคนแคะของพระองค์นะคะรูปเคารพมักสร้างเป็นพระอิศวร8ปดกองหรือว่าถือตรีศูนย์สองกองกอนหนึ่งถือกลองใหญ่ ระฆังดาบหัวกลกผีหนังช้างก่อนที่เหลือก็จะกําหัดชี้นิ้วข้างหน้ามีรูปที่ดาโยเกสวารีนั่งถือถ้วยสำหรับใส่หยดเลือดของอสูรอีกมือถือกริดค่ะปางที่ห้านะคะมีปางที่ชื่อว่าสารเพสมอนตินะคะพระอิศวนเทพทรงมีฤทธิ์เหนือพระนารายณ์ซึ่งพระวิษณุอวตารเป็นนรสิงห์นะคะศีรษะเป็นสิงโตแต่ว่าตัวเป็นมนุษย์เพื่อปราบอสูรที่ชื่อว่าฮิรันอากาศ เมื่อพระวิษณุสรงท่าอสูรโดยใช้เล็บแหลมคมฉีดท้องฟันเอาไสออกจนหมดแล้วแต่พิษร้ายนะคะกลับมาตกอยู่ที่นรสิง์โดยไม่รู้ตัวซึ่งต่อมานรสิง์ก็รู้แต่แก้อะไรไม่ได้กลับมีจิตใจโหดเยี่ยมดุร้ายทำลายฆ่าทั้งมนุษย์และเทวดาพระอิศวรจึงแปลงเป็นสัตว์ที่ชื่อว่าสารพามีสองหัวสองปี แปดขามีเล็บแหลมคมประดุดเล็บสิงโตมีหางยาวแล้วเข้าฉีกร่างของนรนสิงห์จนตายแล้วนำเอาหนังมาสวมใส่เป็นอาภรณ์จากนั้นก็เสด็จกลับเขาไกราลาสนั่นเองค่ะพระนารายณ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอีพระองค์หนึ่งค่ะซึ่งพระเป็นเจ้าหนึ่งในสามของพราหมณ์มีพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์ ร้านอะไรมีสีกรสิ่งของที่ถือมีอยู่4ชนิดนะคะคือสังหรือที่มีชื่อเรียกกันนะคะว่าปานจะชัญญะ2จกักมีชื่อเรียกว่าสุทัศนะหรือวัชรานาบนะคะ3าคทามีชื่อเรียกนะคะว่ า, เ, าเกมโมดนะคะแล้วก็ธรณีค่ะมักจะทำเป็นดอกบัวตามเปรียบแผ่นดินเหมือนดอกบัวหลวงค่ะ นอกจากอาวุธที่กล่าวมาแล้วนะคะพระนารายณ์ท่านยังทรงมีธนูที่ชื่อว่าสันาสารณคะนะคะแล้วก็พระขันที่ชื่อว่านนท ก, กะอีกพาหณะคือครุฑและมีพญาอนันตนาคราชเป็นบัลลังก์สถิต ท, ที่อวยกูลค่ะ กรเหิดพระนารายตามหนังสือนารายศยิปางฉบับขอพระสมุดนะคะกล่าวว่าเมื่อเพลิงบนรลัยกันไม่สิ้นโลกแล้วพระเวทพระธรรมก็สร้างพระอิศวรขึ้นมาเพื่อสร้างโลกซึ่งจำต้องมีผู้ที่จะต้องมาช่วยในการครั้งนั้นจึงเอาพระหัตถ์ซ้ายรูปพระหัตถ์ขวาเกิดเป็นพระนารายขึ้นมาแล้วส่งมอบหน้าที่ให้เป็นผู้สอนศินลปศาสตร์แก่กษัตริย์และให้สถิตอยู่ยังเกษียณ ส, สมุดนะคะ ต่อมาเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นค่ะก็เกิดความเดือดร้อนในพบต่างๆส่งให้พระนารายไปปราบโดยองค์การจากองค์อิสุวนมากแล้วก็จากการเชิญของเหล่าเทวดาบ้างนะคะโดยมากมักจะเรียกไปปราบทุกเข็นนะคะว่าส่งอวตารค่ะซึ่งอวตาร น, นั้นมีมากมายอวตารแต่ละครั้งเรียกว่าปางค่ะซึ่งมีหลายปาง ในคำพีปูราณะต่างๆว่ามี10บาอา10บปางบ้าง24บปางบ้างที่โดดเด่นมากๆก็จะมีอยู่10บปางนะคะเรียกว่านาราย10บปางค่ะ ก็จะได้แก่ปางมัสยาวตาลหรือว่ามัดฉาวตาล น, นั่นเองนะคะก็จะเป็นอวตารเป็นปลากรายทองชื่อว่าสภพรินะคะไปปราบสังอสศูร์หรื อ, อหายครีอสศูน์นะคะก็ได้ขโมยคำพีพระเวทของพระพรหมทาดาเรื่องมีอยู่นะคะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังย่อๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องยาวมาก เวลาที่ พ, พระพรหมทรงหลับสนิทที่เรียกกันว่าพรหมราชนะคะสัรพสัตทั้งโลกค่ะจะเดือดร้อนต้องพากันตายทั้งหมดด้วยสาเหตุนี้ที่น้ำท่วมโลกจนกระทั่งดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ก็โดนด้วยค่ะซึ่งกินระยะเวลาถึง 4,320 ล้านปีของโลกมนุษย์ พรนรารยทรงพิจรารณาเห็นภัยที่จะเกิดแก่มนุษย์ที่กระทำดีตั้งตนอยู่ในศีลธรรมเห็นว่าไม่ควรที่จะต้องมาตายเพราะเหตุ น, นี้พระองค์ก็เลยเอวตารลงมาเป็นปลากรายทองอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอโยธย า, เ ม, รร า, นานเมื่อพระราชานามว่าพระสัตรยพจน์นะคะผู้ที่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมได้เสด็จลงมาส่งพระพักณนะริมฝั่งน้ําที่ขณะพระองค์ทรงวักน้ําปลากรายทองก็ติดปลามาด้วย ะะปลากรายทองน้อยได้ร้องของใหพรรอ้พระราชาช่วยชีวิตพระองค์จึงนาปลากรายทองเ น, นี่ยมาเลี้ยงไว้ในบาดปลาก็โ ต, โตเต็มบาดในระยะเวลาไม่นานพระองค์ทรงเปลี่ยนภาชนะสารพัดปลาก็โตจนต้องนำไปเลี้ยงในทะเลสาบปลากรายทองก็โตเต็มทะเลสาบค่ะสุดท้ายนะคะต้องนำไปเลี้ยงไว้ในมหาสมุทร พระราชาก็เลยสงสัยว่าเชอรอยปลากรายทองตัวนี้จะไม่ใช่ปลาธรรมดาซะแล้วต้องเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งเอาพาตัน ล, ลงมาแน่นอนพระองค์ทรงบูชากราบไหว้ปลานั้นพระนารายณ์ทรงขอพระทัยในความมีศิลธรรมความดีงามของพระราชาพระองค์จึงทรงแจ้งภัยพิบัติให้ทราบจึงแนะให้ต่อรอ่าเรือลำใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เตรียมขนสัตว์ต่างๆชนิดอย่างละกู้ พืชพันธัญญาหารทั้งเมล็ดพันธุ์นะคะสำหรับไว้กินในขณะอาศัยอยู่บนเรือรวมทั้งข้าราชบริพารที่ตั้งตนอยู่ในสีในธรรมนะคะพร้อมด้วยเรือสีทั้ง7ตนด้วยเมื่อพระพรหมหลับสนิทจึงเกิดภัยพิบัติขึ้นปลาก็ชักลากเรือใหญ่ฝ่าฟันมรสุมจนเวลานำลดลงเป็นปกติค่ะพยาปลาจึงนาพระราชาและสัพพสิงที่อยู่บนเรือมาส่ยงังริมฝั่งนั่นเองค่ะ ปางที่2นะคะของพระนารายคาเรียกว่าปางกุร์มาวตานหรือว่ากัตฉาปาวตานค่ะทรงอวตานเป็นเต่ายักษ์เพื่อหนุนเขามันทอนในคราที่มีการพวนเกษียรเกษียณสมุทนะคะเพื่อทําน้าาําอมฤตค่ะพระนารายเกเรงนะคะว่าโลกจะทะลุถึงอวตานเป็นเต่ายักษ์เพื่อไปนหนุนเขามันทอนไว้นั่นเองนะคะ ส่วนปางต่อมาค่ะเรียกว่าปางวาร า, อาขออภัยค่ะวาราหาวตาลทรงอวตารเป็นหมูป่าไปปราบเหรันยักษ์นะคะหรือว่าหิรันยากระสะักเป็นอสูนย์ที่บำเพ็ญเพียรบูชาพระอิศวรพระองค์ทรงสงสารจึงประทานพรให้มีฤทธิ์ไม่มีใครปราบได้เหรันยักษ์เกิดความย่ามใจไง ก็เลยจับแผ่นดินทั้งโลกนีม้ม้วนแล้วก็หนีบไว้ใต้จักรแร้หนีลงไปอยู่บาดาลพี่พบค่ะพระนารายณ์จึงอวตารมาเป็นหมูป่ามีเขี้ยวเพชรแล้วก็ดำดิ่งลงไปยังบาดาลเมื่อพบตัวเหวรญยักษ์ก็เลยต่อสู้กันค่ะล่วงเวลามาพันปีจึงปราบอสูรตัวนี้ได้แล้วใช้เขี้ยวเพชรงัดคลี่ขยายแผ่นดินไว้เหนือน้ําตามเดิมปางที่4นะคะเรียกว่าปางนรสิงหาวตารค่ะหรือว่าอาวตารเป็นนรสิงไปปราบ กับหิรันตาสนูนั่นเองนะคะส่วนปางนี้เนี่ยคงจะเคยได้ยินไปแล้วนะคะในอตอนพระอีศวรนั่นเองเพราะว่าเคยเล่าตอนนี้ไปฟาให้ฟังคร่าวๆแล้วนะคะคือเรื่องเรื่องนี่มีอยู่ว่าพระนารายณ์อวตารเป็นหมูป่าไปสังหารฮิรันายากะสะแล้วนะคะพญายักษ์ผู้เป็นแปดน้องเนี่ยน้องนามว่าหิรันยากสิปุกก็ก็ขึ้นมาเป็นใหญ่แทน ขีรัญยกสิปุได้บำเพ็ญตะบะขอพระพ อ, อะขอพรพระพรหมโดยขอไม่ให้เทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถฆ่าตนได้นะคะแล้วก็ อ, อยากให้ตายในเวลากลางคืนกลางวันอย่าให้ตายทั้งในบ้านและนอกบ้านสัตว์ราวุธในโลกก็ฆ่าไม่ได้ซึ่งพระพรหมทรงประทานพรให้ตามที่ขอนั่นเองนะคะพระนารายณ์ท่านก็เลยทรงมาปราบปางนี้ก็เลยเรียกว่าปางนอนสิงห์ัวตาานั่นเองค่ะ อีกปางหนึ่งนะคะคือปางที่5ค่ะเรียกว่าปางทวิชาวตานหรือว่าเป็นพรมหนุ่มนะคะส่วนปางที่6ค่ะเรียกว่าปางปางรามสูลนะคะปางปะอ่าปรสุรามอวตารนะคะปางที่7ค่ะชื่อว่าปางรามอวตารนะคะหรือว่ารามาจันทราวตานนะคะองค์อวตารเป็นพระรามเพื่อไปปราบเท้า วราบนะคะหรือว่าทศกัณฐ์นั่นเองนะคะส่วนปางที่8ค่ะเรียกว่าปางกฤษสน า, ากริสนาวตานค่ะอวะตารเป็นพระกฤษณะเพื่อไปปราบอสูรกังสะซึ่งเป็นลุงของพระนารายณ์เองนะคะส่วนปางที่9เรียกว่าปางพุทธาวตาร น, นะคะเป็นสมณโคดมหรือว่าพระพุทธองค์ทรงปราบพราหมณ์วัสดีมานนะคะส่วนปางที่10ค่ะ ปางกันกิยาวตารเป็นมหาบุรุษเป็นปางที่จะมีต่อในอนาคตทรงบันดาลให้โลกมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะบางตำราค่ะก็บอกว่ า, าพระนารายณ์นะคะมีพระชายาสามองค์คือพระสรารสวดีพระคงคาและพระลักษมีต่อมามีปัญหาระหว่างทิฐิมานะไม่ลงรอยกันพระนารายณ์จึงตัดปัญหาโดย แยกนะคะโดยยกพระสระสวัสดีให้กับพระพรหมและให้พระคงคาแก่พระอิศวนบางตำราก็กล่าวว่านางธรณีก็เป็นชายาพระนารายเหมือนกันพระนารายมีสีกายที่เป็นสีที่ไม่คงที่เปลี่ยนไปตามยุคโดยแบ่งเป็นยุคดังนี้ค่ะกรีตยุกหรือว่ายุคที่มีแต่คนทำความดีนะคะมีศีละธรรมมีความซื่อสัตย์ก็จะเป็นสีขาวนะคะไตราดายุค ค, ค่ะมีหนึ่งสีคือในสีส่วนเป็นสีแดง เพราะความดีมนุษย์ลดลงไปหนึ่งถึงส่ทวารประทวาประยุกนะคะมีสีพระน า, นารายณ์เป็นสีเหลืองเนื่องจากความดีลดลงไป2ในสี 4. แล้วก็กรียุคค่ะพระน า, นารายณ์กายสีดําความดีมนุษย์ลดลงไปเหลือหนึ่งในสีโดยที่สีค่อยๆลดลงมาจนดําก็เพราะว่าเป็นยุคที่ค่อยๆเสื่อมทางด้านศิลธรรมจนเหลือสัจธรรม ปัจจุบันองนารายทรงสุบันมีสีดำเนื่องจากเป็นยุคที่สีนั่นเองค่ะซึ่งอายุยุคที่ทั้งสีรวมกันก็จะอยู่ที่ 12,000 ปีสวรรค์หรือ4 3 2ล้านปีมนุษย์นะคะ และทั้งหมดที่เล่ามานี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องราวขององค์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นองค์สําคัญสําคัญที่คนไทยเรามักจะคุ้นเคยนะคะกรบบาบไหว้ขอพรกันอยู่นะคะก็จะเป็นพระศิวะนะคะหรือว่าอีกบางหนึ่งนะคะก็จะเรียกว่าพระอิศวร น, นะคะแล้วก็พระนารายคาพระนารายณ์นี้ก็จะอวะตารหลากหลายเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าพระลักษพระรามนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะที่ทรงปรับพยาามมานั่นเองค่ะเอาละคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้สวัสดีค่ะ